จอาอภูเขาทานนี้ก็ออบภูเขาไปจนถึงกลางภูเขากลางภูเขาเลยจอดทางทิศตะวันออกที่นี่หมายความว่าเรารักษาราตีไม่ให้ไปเกินกําหนดนั่นจนสว่างรีบเข้ามาในเขตพรรษา ถ้าพรรษาขาดปรับอาบัตทุกกฎถ้าแจ้งทําให้ขาดเป็นอาบัตปลายจตีผู้จําพรรษาขาดทําพรรษาให้ขาดไม่ได้อานิสงส์กรถินแต่อานิสงส์พรรษาก็ไม่ได้อีกส่วนสมณีมีพรรษาไหมสมณีก็มีพรรษาเหมือนกันแต่ไม่ได้ประวัณนาพรานับพรรษาเหมือนกันเพราะอธิ ษ, ษฐานตั้งคำสักเหมือนกันพระศิษยาบทเหล่านี้ มานอกขันธกะปาฏิโมกข์การจำพรรษามาในขันธกะนอกปาฏิโมกข์มาในอภิธรรมารจารไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์แต่ก็เป็นสิกขาที่ควรปฏิบัติเหมือนกันเหตุนั้นจึงนับพรรษาสมเด็ก็นับพรรษาเหมือนกันต่อไปนี่ก็ สวัดมนเป็นพิธีใช่มอนมยังกรณียมตตังภนมเสกรณียมากุเลนะยันตางสันังภะเทงอธิสัเจากโกลุจัโลุวตตมุะะันตากโล ขิจโฉลหาธรรมลสมาธิจินยสโคจอาภะนภะภูรสุขอิโตาสัพพะสมสเบจินจเยนิรปะเรุาลุตัวเทวเมิโลหุนสัตสตาสุสุขิสยเยหิสาภูัสสีตัสวทวะ ปาณิยคาวะยะนะอนุป <Repe ated> ัตตรานเดฆาวะยะจาริสอาเรยัตโตโยสังเกติเวโมตาวะสัเพรติวาัปเสัสวสุขิตะาะระปารามิุเตะธามะเนมะเนาะสะิย กายโลตมะิาัตัญญามโลกาเรเมะายทายังกุะยายกัุตตระเวังสิสัปเตสุะนัมาวอะิมาเ กรรมานเชื้ราดสเนลสัมพันธ์กัเอสุริยะนิทานนิจจะตุกะแปดสี่งภูนาตีพระสูตรนี้แปลว่าแผ่เมตตาทั่วทั้งใจโลกธาตุไม่ให้มีเวรไม่ภัยพระสูตรนี้ต่อไปก็เป็นพระสูตรเทเมตตาอีกและเป็นมิตรเป็นสหายกับพญางูเพื่อมาให้มีเวรไม่ภัยกั น, ไ ม, ไ, มกนไม่กัดไม่ตอดกันไม่กัดไม่ เทียวกันเมรุปะแขงเมตังเมตังเมลาปะแขงิเอายอาุดเติเมเมตังเมตังัมมะโตมะเชยจาอากัยอเจเมเมตังเมตังาะงเมอาุเตเมเมตังเมตังมะไฟเ มางอภาระโกยิงสีมาวังยิงสีที่ภาระโกมาวัจตาะกยิงสีมาวังยิงสีทระเวสเมสตาสเมาัสเมพุทธะสเมโนาสเมัสสนาัตสัตงานิจิความะมาอมาโมทโถอาตมาโมทโถ โอ้อาหะวันไสสิริสะพายอาหิสิกัสสะพายุณะวิสระพุนุกิตาตาเยรคัสสะเมฆาริตาวะทิตัมุุทาีตัวห้าโมกตัวโมจัดกำลังมาสมุทายแว่าเราถูกเิดถูกสหาย กับสิ่งที่เมียนญาณคลองสิงทั้งทั้ทงใจโลกธาตุตลอดทั้งที่มีเขี้ยวเมงาทุกชนิดแล้วไมาให้มีเวในิไฟแขกันละกันตั้งปัญญาทิศานแลว้วตลอดถึงพยางูพยาหน้าทุกชนิดที่เป็นตัวเล็กและตัวใหญ่ขอเป็นนิสเ็นสหายอยู่ทุกเมื่อแจะได้มีเวในิไฟแขกันละกันอยู่ทุกเมื่อจะได้ ไ, ได้ดได้กัดได้ตอดที่ภาษาภาษาอสาน ยาได้คบเคี่ยวกันด้วยพิษด้วยสงอันใดเลยนับแต่เมืดำามืแดงกันต้นไปขอเป็นมิตเป็นสหายขาทั้งใจโลกษาตอยู่ทุกเมื่อเป็นอยู่ประมาณโอวาทุสตาบรมรังราคัมเถรสาเรวตาสาวาตุาอนุภาเรนสะสดาตุที่อนตุเอาวทุสตาบรมรังราคัมเถรสาเปรวตา พเวนะาสุิเกวัสุสางาขันงทเทวดามาสังขารุพระเวนะปาสุทิยาวสุเกโดยอำนาจแหุ่ขิจาาทั้งหลายประชำทัสงหลายภาริยสงทัหลายจงกำจัดให้ได้ทุกสนิดมีความสวัส ด, ดีอยู่ทุกเมือ่อเธอนคือเอาล ข้อสำคัญข้อสำคัญในกลางภาษาก็เพราะมีพระภาคกลางมาด้วยเราจะปาราบแต่ภาษาภาคอีสาก็เรียกว่าไม่ให้โอกาสพวกภาคกลางก็มีแตก็ฟังยากเหมือนกันเดี๋ยข้อสคัญอย่าได้แตกแยกกันให้มีเมตตากรุณากัน อย่าไปจับพิดจับถูกกันมากค่อยบอกค่อยสังค่อยสอนกันผู้ถูกบอกก็ตั้งใจรับฟังคําบอกผู้เตือนก็ต้องหวังดีอย่าเห็นแก่อเอาแพ้เอาชนะกันผู้ฟังก็รับฟังเสียขออย่าเพิ่งคัดค้านกันอย่าไปทะเลาะกันละอายเขาปีนี้พระเมีมากเขาก็จะคอยจ้องดูอยู่ว่าพระคงจะแตกกันคงจะทะเลาะกันมันเป็นเป้าหมายอันไม่ดี เหตุนั้นการสามัคคีการเมตตาการุณากันใครก็มีกิเลสเหมือนกันจึงได้มาบวชถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ได้มาบวชเหตุนั้นจึงความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ต้องอดทนต้องมีความอดทนบ้าทีนี้การงานที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับสาธารณะเป็นบางข้างบางค่าวกอให้ช่วยกันทำการงานใดๆที่แตกแยกกันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นด้วย มันจะเป็นนิทานเรื่องท้องกับตัวสิ่งต่างๆส่วนร่ากายมมือและปากและฟันเป็นต้นก็ทุ่มเทียงเกี่ยงงอนกันขึ้นกับท่องต่างหาความว่าท่องไม่มีประโยชน์อะไรคอยแต่จะอิ่มเท่านั้นส่วนมือตีนทํางานจนจะตายแล้วจะทรมานท่องให้อดอากมือก็ไม่หยิบของส่งเข้าปากปากก็ไม่อมอาหารไว้ฟันก็ไม่เคี้ยวในที่สุดคนผู้นั้นก็สู้ความไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการงานใดๆที่ต้องทําหลายคนถ้าคนเหล่านั้นแก่งแย้งไม่ปองดองกันก็เสียประโยชน์แก่คนเหล่านั้นด้วยในนิทานอีศุปการงานในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การงานยาวเช่นหนทางอย่างนี้มันก็เป็นเสนาสนะวัดอยู่แล้วจัดเข้าในสีลวัดเสนาสนะวัดจัดเข้าในสีลวัดที่เราลงไปปัดกวาดควองานกันที่เราปัดลานวัด ข้อมันกันจัดเข้าในสีละวัดเหมือนกันเมื่อสีลวัดบริบูรณ์สมาธิวัดก็จะบริบูรณ์ปัญญาวัดก็จะบริบูรณ์นิพพิทาวัดคือความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารก็จะบริบูรณ์วิราคะความชินกำหนัดก็จะบริบูรณ์ไปวิสุทธิก็จะบริสุทธิ์ไปอีกเนพทานก็จะปรากฏอีกนิพพิทาวิราคะวิสุทธินิพทานเป็นทำอันเนื่องกันเป็นลำดับเราบวชมาในวัดพษษุทธศาสนาในวัดป่า ก็บวเพื่อจะทำลายกิเลสแต่อย่าให้มันมากขึ้นเพราะเราจะพยายามทำลายมันออกด้วยการภาวนาที่เห็นด้วยสมาธิจะเห็นด้วยปัญญาถ้าหากว่าเราถือว่ากิเลสมันเป็นของสมควรพอใช้พอสอยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่อยากปฏิบัติมันเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมนั่นเอง มันไม่เป็นที่สบายของจิตของใจของเรานั่นเองเราจรึงพยายามจะละมันจะเว้นมันที่นี่เรื่องลงไปสาราที่นี่ต่างก็เอาใจช่วยกันวัดกวาดสาราช่วยกันเอาใจใส่เพราะเป็นข้อวัดแต่ละท่านแต่ละคนจัดเข้าในศีละวัดของใครของมันใช้นาสนาวัดอย่าไปทิ้ให้คนนั่นคนนี้ที่ห น, นทางยังไม่เสร็จเกี่ยวกับ ยางมัดต่อยเราก็พิจารณาอยู่เรื่องยางมัดต่อยเนี่ยถ้าจะไปเซ็นชื่อไปขอเขาก็ไม่ตรงกับคำที่เราพูดอวดดีว่าจะไม่แพ่ขอไดๆทั้งสิ้นถ้าหากเราจะไปซื่อเขาก็ให้โยมพาไปเพราะมันมีพระเมนายห้าม ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเครื่อรหัสก็ต้องอบัตดีกภิกษุทําการซื้อขายด้วยโลภะคือของที่เขาใช้แทนนนทร์ทองอะไรเงินก็เป็นนิสเคียพจนีก็มีอยู่หลีกข้อนี้มันข้อทํากันถ้ า, ากว่าเราจะไปขอให้เขาช่วยอย่างนี้มันก็เป็นผู้ใหญ่ขอปราเหมือนกันมันก็มาทับเราอีกถ้าหากว่าเขาประวาติ น, นาเราไว้ว่าเออ ถ้าพระเป็นเจ้าคัดข้องอะไรก็ใม่บอกเนอ้อในเรื่องเกี่ยวกับพ้นทางก็ดียังมัดตร อ, อยู่กับพวกกระผมก็มีอยู่แล้วจะช่วยเหลือได้หรือให้ทำหนังสือมาหาถ้าแล้วนะทำหนังสือไปหาเขาเขาก็บอกว่าจะไปขอเขาโดยตรงเลยเพราะเขาก็หาหลักอยู่ถ้าเราไปทำหนังสือไปหาเขาก็เป็นเราไปขอเขาอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นผมเรียกว่าพวกเราไปซื้อเอาซะ พยอมไปซื้อแต่ขนทางมันเราทํามาแล้วมันก็ราคาสูงกว่านั้นเราก็ยังทําเสร็จเพียงอย่างม่ดต่อยนิดหน่อยเราก็ไปซื้อเอาซะมันจึงไม่มีปัญหามากถ้าเขาจะขายให้เราโดยตรงๆมันก็ขายไม่ได้ถ้าเขาไม่ขายเขาจะให้เราโดยตรงๆถ้าไม่พร้อมกันหมดก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะบางคนเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาคอยใจจะแก่งแย่งกันอยู่เป็นปัญหาอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเขาเลื่อมใสในพุทธศาสนาหมด ปัญหาอันนั้นมันก็ไม่มีความหมายถ้าเราไปขอเขาเขาคอยเอาหนังสือของเราว่าให้คนอื่นก็เป็นเรื่องของเราไปขอเขาอันนี้นี่ก็ลําบากเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ให้พาญาติโยมให้เขาไปต้องการซะพาพระพาไปด้วยจะ่าไปต่อราคาของเขาเขาสมควรให้ยังไงก็ให้โยมเป็นผู้ต่อให้โยมเป็นผู้พู ด, พดผมนึกอยู่หลายวันแล้วในเรื่องนี้มันจะมาทับถมผม เพราะผมปจิญญาว่าจะไม่แผ่ขอหรือเป็นวจีวิ ญ, ญัตกับท่านผู้ใดเลยนี่ถ้าเราไปแผ่ขอเ <c oughs> ขาเขาของ <c oughs> เป็นของของสาธารนณะที่เป็นของของหลวงเไยมันก็ลำบากเองเหมือนกันลำบากทุกชล็ดถ้าอย่างนั้นพวกเราซื้อเอาซะพราะที่เขาทำหนทาง เราโทรไปถามเขาดูๆอว่าอยามาต่อยเขามีมไหมเขาคงมีบางทีเขาก็จะดุเราว่าเขามีขายสมไปพวกพ่อค้ามาถามทำไมทำไมจึงไม่ซื้อกับเขามาถามนี่ลอยอยากจะได้เฉยเขาก็ตีปัญหากับเราอย่างนั้นเห็นนั่นจึงเป็นของลำบากเหมือนกันที่นี่สวนหลวงพราอาบน้าม หรือบอด้ขาอันไหนมันขาดมันเขินหรือมันไม่พอใช้เราก็ต้องบอกกันเนอบอกกันบอกกับพระพระจำนวนวันที่บวชก่อนเนี่ยมันมีพอได้ใช้ได้ซอยอยู่พระอาบนถ้าไม่พอใช้ก็บอกกันมีพอได้ใช้ได้ซอยที่นี่ส่วนญาติโยมผู้ที่อาศัยของพวกเราอยู่นี่เป็นต้นวัดพระขาวแต่พระขาวกว็ดีหรือพวกผู้หญิงนั่นก็ดี ก็ต้องจัดผ้าได้ริบมันให้ว่ า, วาสำหรับนุ่งพัดเปลี่ยนกันในเวลาตอนกลางวันนุ่งสู้เหงือสู้ใครก็ไม่หมายว่าแต่จะเอาอันละเอียดละออมากพอได้เปลี่ยนกันหรือจะเอาผ้าเชน้นติ้วก็แล้วแต่พราผ้าของเรามีอยู่ พวกยมที่อาศัยยังอยู่ก็เหมือนกันนางมนก็ให้มีส่วนได้ด้วยเพราะเขาก็ทําให้พระส่วนแม่ขาวก็ดีโยมหัวดาก็ดีก็ต้องแก่กให้ส่วนพระที่นี่ถ้าไม่พอก็พากันเอาอีกส่วนผมมันมีมากแล้วมีหลายผืนไม่ต้องเอาหรอกจะอธิษฐานเพื่ได้ก็ได้ถ้าสงสัยอันใด ก็ต้องถามพระเก่าพวกพระใหม่มาไม่ยังไม่รู้อะไรก็ต้องเขารบพระเก่าเพราะเขาพระท่านเหล่านี้มาอยู่ก่อนต้องถามสงวรอะไรถ้าสงสัยอะไรอย่าไปทะเลาะกันละอายเขาเดี๋ยวเขาเป็นโทษมีมากก็มากทะเลาะกันไม่เห็นเป็นมงคลแย่งกันอยู่สู้กันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช่แย่งกันซอยแย่งอิทธิพลกั น, กนอย่างนั้นอย่างนี้ เราไม่อัศจรรย์เลยทาเรามีพระอยู่วัดพระองค์สององค์ไม่ได้อย่าให้เขาดูถูกนินทาได้อันนี้โลกวัชชะเนี่ยอย่าเห็นแก่เอาแพร่อเอาชนะกันส่วนผู้ที่เรียนทางโลกมาก็เหมือนกันผู้ชั้นหนักไปในทางโลกผู้ชนหนักเป็นช่า ง, มามา ง, างออไม้ก็เหมือนกันผู้ช่างเหล็กช่างกลหรืออะไรก็เหมือนกันค่อยพูดค่อย กกอย่าเอาวิชาอันเหล่านั้นมาข่มเพื่อนให้มันทะเลาะกันผู้ที่มาบวชจากกรุงเทพก็เอายกไหวเอายกเอากุงเทพไหวซะก็ต้องเอามาบวช ด, ด้วยกรุงเทพน ะ, ะการเยี่ยงชัยปีนั่นเราดูให้เออมันมาบวชมันก็เอากระทรวงธรรมการกระทรวง กระทรวงยุติธรรมมาบวชด้วยไม่เอาที่ยงมากรุงเทพเราดุดุไห้ผู้เป็นครูก็เอาครูมาบวชด้วยมีทิฏฐิมาละพูดกันไม่ลงวผู้ทํานาก็เอานามาบวชด้วยพูดกันก็ไม่ลงผู้ชาวสวนก็สวนมาบวชด้วยพูดกันไม่ลงใครก็ว่าใครเก่งนั่นไม่ถูกแล้วพูดให้แล้วดุไอ้เออผมชอบอย่างนี้แหละบางคนละไม่ว่าเลยเพราะเก็งจะเสียขนมแกจะพูดไปอีกหรอก เกียงชัยเขาเกงจะเสียขนมไม่พูดเลยเกียงจะผิดใจอันนี้ผมชอบแท้ๆพูดอย่างนี้ยังไปอีกว่เกียงชัยทีนี้ใครสงสัยอะไรก็มาพูดก็พารับขึ้นซักสงสัยเขตจำพรรษาหรือสงสัยอะไรจำพรรษาก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่าที่ควรเราจะทำเหมือนนอกพรรษามันก็ไม่ถูกเวลามาฉันอาหาร ก็เหมือนกันไม่จําเป็นอย่าไปคุยกันบางทีมีแขกมีคนมาอยู่กับผมพวกลูกๆและห ล, ล, ลา น, ลานพากันอยู่เงียบๆก็อย่าไปจับกลุ่มกันคุยอยู่ที่ศาลาให้ครบเกื่อนผมพูดกับญาติกับโยมเพราะโยมเขามาผมก็ต้องพูดธรรมะอย่าถือว่าเคยชินเคยหนวกหมูมันมันก็ไม่ถูกเพราะมันจะเป็นธรรมะเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระพิณาพระพุทธศาสนา เวลาเข้ามาในวันพระไม่มีใครปารถธรรมะเขาบา้างเขาก็พูดดูถูกดูหมิ่นในพระวินัยว่าเอ อ, เอ ก, กินแลี้ยงก็นิ่งอยู่เหมือนหมูไม่มีใครพูดปารถเลยเออถ้าอย่างนั้นเมื่อญาติโยมเข้ามาเขาต้องปารถธรรมะบ้างพระบ ร, ร, รมศาตราตั้งไว้ตั้งไว้ในพระวินัยเราไม่ปาลรถธรรมะกับเขาเราจะปาลรถในเรื่องโลกมันก็ไม่ถูกบางคนเขากติเตียนเรา โลคๆแรกๆย่เราอยู่ทางบ้านมันก็พอได้พูดได้จ่าอย่าทำไมท่านจึงไม่พูดปราลดธรรมะบ้างมันมีในพระเบนัยท่านบังคับว่าเหตุนั่นจึงมีวันธรรมะสวัสดิ์เข้ามาเป็นพิเศษเข้ามาหาเราและอีกอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์เทศ เ, เขาเขาโม่งอยากให้เขาเข้าใจธรรมะพวกเราไปจับกลุ่มกันพูดซุบซุบชิบิ บ, บ, บ, บเสียมารยาท ต, ต้องเก็บต้องนิ่งถ้าอยากพูดก็ไปพูดกันที่อื่น ผู้ที่กีดขวางครูบาอาจารย์ส่งเสียงให้กบเกื่อนมันก็ไม่ถูกอันนี้น่าเบื่อเวลาฉันนำรอดก็อยากคุยกันมากรีบฉันรีบไปของใครของมันแม่ระหว่างผมใครครับค้องสิ่งไหน ให้เข้าหาได้ทุกเวลาเลยเจแกปวดก็ดีหรือสงสัยอะไรก็ดีนอนอยู่ก็ตามรับอยู่ก็ตามค่อให้เข้าหาได้ทุกเมือ่อตลอดทั้งญานโยมที่อยู่ใกล้ชิดด้วยทุกเฉินในส่วนตัวก็ให้หาเข้าหาได้จะนั่งจะภาวนาอยู่ก็ตามจะรับอยู่ก็ตามจะมีการิงานอยู่ก็ตามให้เข้าหาได้ทุกเมือ่อ ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่สะดวกกระพู่นน้อยข้อสำคัญการทะเลาะกันเนี่ยสำคัญมากที่นี่เรื่องอาหารแล้วก็ดูตามาตารือวันนี้อาหารเท่านี้ ญาติโยมีเท่านั้นเราควรเอาไว้เท่าไหนาก็ต้องดูเป็นวันๆถ้าไมาได้เท่าเก่าก็ไม่เอามันก็ไม่ถูกอันนั้นดูไม่ดูจักกาชเทศะวันนี้มีอาหารเท่านี้เราจะควรเอาไว้เท่าไหนายโยมีเท่าใดมาคอยอยู่คอยกินในวัดของเราวัดของเราก็เลื่องอาหารไม่ต่ำ ก, กว่าร้อยคนนะแต่และ ว, วันละ ว, วันเนี่ยท่าพระมีคนงานด้วยตามธรรมเนียมของหลวงปู่มหา ท่านม่อีมท่านก็ไม่ยอมให้โยมทานอาหารให้พระอีมเช้าก่อนเพราะเหลือจากพระมันมีมากอยู่มันทิ้งเฉยแต่พวกเราทำไม่ได้พระมันเกี่ยวกับคนงานถ้าปล่อยให้พระอีมหมดเช้ยแล้วมันก็หมดเวลาเขาทำงานเพราะทำงานเป็นรายวันสถานที่ของเราจะไปเลือกทำแต่ละดูแรกมันก็ไม่ไหว พราะงานมันจุกจิกมันลําบากงานบางชนิดอาศัยน้ำถึงเราทําอยู่ทั้งแรืงทั้งฝนอย่างนี้ก็จึงพอขนาดนี้แหละใครเอามาใครมาก็เอาหลังมาใครมาก็เอาถ่ายวัชถุอุจจระมาเราอยู่ในภูเยเขาถ่ายตามก้อนหินก้อนผาก็ได้พูดอย่างนั้นก็ถูกถ้ามีคนส อ, องคนทั้งคนคนตั้งร้อยคนจะไปงอยที่ไหนตั้งสามสิบสี่สิบคนมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน เรื่องห้องถ่ายกอจัดเข้าในศีรวัตแล้วเวชวัตรจัดเข้าในเวชวัตรชั้นตาวัดก็ลงไฟรักษาช่วยกยันยาให้สกรปรกลงไฟคุณสวัสด์ก็เอาหม้อต้มนำร้อนมาให้อีกแล้วคุณสวัสด์เอาหัวรับรองมาสองสองลูกแล้วสามกระต้มซักผ้า ที่นี้การวางฝาการวางฝาต้นลำรอดอย่าไปวางทุกคนทุกแห่งมันชกกระปอกเอามาควา่ำเอามาเอามาปิดมันก็ชกกระปอกวางทุวางทุกคนทุกแห่งมันก็ไม่ถูกที่บุบบบไม่บิ บ, บ, บก็ไม่ควรวางเราจะควรวางยังไงวางที่ไหนก็ต้องวางให้มีระเบียบอันนี้ เวลาเราเอาไปไปผิดอีกมันก็สกรปรกวางไปทุกหนทุกแห่งที่นี่มีข้ออะไรอีกจะพูดอะไรอีกเียนี่เรื่องความเพียรเรื่องทุก ด, ดงแล้วแต่เห็นสมควรของตนเองขอให้เป็นเองแต่เราก็มีทุดดงอยู่แล้วอูป่าเป็นวัด เป็นมาตเป็นวัดได้สองข้อแล้วก็ฉันในบาทเป็นวัดก็คงจะไม่บริบูรณ์เท่าไหรเพราะใส่ฟ้าบาทก็มีก็แล้วแต่สะดวกอันนี้ก็ไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่กับกลืนลงในท้องโพชเนมนตัญยุตา รู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยยังอยู่อีกสีห้าคำให้อิ่มซัเรียกว่าฉันอาหารพอดีการนอนวันหนึ่งคืนหนึ่งหลับประมาณถ้าคนหนุ่มก็าหลับประมาณสี่ชั่วโมงพอแล้วถ้าคนแก่เหมือนเราเนี่ยสองชั่วโมงก็ทั้งยากบวกหลับเข้าใส่กันเรียกว่านอนพอดีนอนก็คือนอนภาวนาลับแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งเขาหลับ วันไหนนอนไม่หลับคาภาวนาวันนั้นเรียกว่านอนไม่เป็นนอนเหมือนโคเหมือนกระบือส่วนนั่งก็แล้วแต่เห็นชมควรส่วนเดินก็แล้วแต่เห็นชมควรเปลี่ยนอิริยาบถยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้หมายความว่าไม่หลับเ mm. หตุฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนจึงเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถของพระกรรมฐานก็คือเปลี่ยนอิริยยาบทภาวนานั่นเอง เราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถ้าเราไม่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารมันก็ไม่สงฐานะของเราที่ปีดป่ายขึ้นเขาลงห้วยเราต้องเห็นภัยในวัฏฏะสงสารน่ามาเพื่อเป็นความพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากกิเลสถ้ากิเลสมีมากเราก็พ้นไม่ได้ถ้ากิเลสมีน้อยมีน้อยเราก็มีความหวังอากกับพ้นทุกข์มีความหวังได้ถ้ากิเลสยังเท่าเก่าอยู่ มันก็ไม่สุงแท่อไหอ่อะอกเราทำบุญอยู่บ่อยๆเราละอยู่บ่อยๆเราจะให้บุญของเราเสมอเก่ามันไม่เสมอมันก็มากขึ้นถ้าเราทำบาปอยู่บ่อยๆเราจะให้บาปอยู่เสมอเก่ามันก็ไม่เสมอมันก็มากขึ้นที่รวงใจทำบุญก็ทำอยู่ที่รวงใจข้อวัดก็คือวัดของใจของกายของวาจาปฏิบัติก็ปฏิบัติที่นั้น ผลของการปฏิบัติก็กายว า, าจาใจเป็นผู้ได้รับไอ้แท้ๆก็ใจเป็นผู้ได้รับเพราะใจเป็นหัวหน้าเขาปฏิบัติ ด, ดีขนาดไหนก็ใจเป็นผู้ได้รับชั่วขนาดไหนก็ใจเป็นผู้ได้รับกายว า, าจาก็ไม่ได้แย่งเอาปารกเทมะเพื่อหลุดเพื่อพ้อนทระบรมาศาสดาจำพรรษาอยู่จะเอาเรื่องอันอื่นมาปารกมาก ปาล็ก่อน้มมาให้เป็นเครื่องเบื่อน่ายเช่นข่าวในวัฏสงสารอันนี้มันก็มีแต่ข่าวทุกข์ทั้งนั้นข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือข่าวทุกข่าวมาทางไหนก็คือข่าวทุกข่าวเกิดก็คือข่าวทุกเพลินในกามตัณหาแต่ว่าถ้าพ้นแล้วก็เป็นสถานหนึ่งพ้นแล้วเขาก็ไม่ร้องเพลงในวัฏสงสารมันก็มีแต่ข่าวทุกข์ทั้งนั้น ข่าวม้นเวียนก็ข่าวทุกข่าวกินก็ข่าวทุกข์เพราะมันหิวจึงได้กินข่าวดื่มก็เป็นข่าวทุกข์ข่าวหายใจเข้าออกก็คือข่าวทุกข์ราดับดีนี่เองรูะหายใจเข้าออกต่ออายุไว้<ม>เดินยืนนั่งนอนก็เป็นข่าวทุกข์ทั้งนั้นเพราะเปลี่ยนอริยาบทได้ไร ใ, ในวัว่นมันก็มีอนิจนนนจังทั้งนั้นมีอนิจจังท่งนัก็มีทุกข์ทั้งนั้น<ม>ผลของอนิจจังก็คือทุกข์ ถ้ามีแต่อันิจังรวมอยู่ในโลกไนงะถ้ามายินดีในทุกทางพวงกิจก็โอนไปเอ็นไปในพระนิพพานเอ็นไปในสิ่งที่ไม่มาเกิดแก่แก้บตายถ้าเห็นเกิดแก่แก็บตายเป็นทุกอย่างยิ่งแล้วกิจใจก็โอนไปเอ็นไปในพระนิพพานเหตุฉะนั้นจึงให้พิจารณาทุกเป็นอารมณ์หรืออันิจังเป็นอารมณ์ ส่วนนิมิตนิมอยมันอยู่ใต้อำนาจอันติจังทางนั้นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายสิ่งไหนที่เราหมายไว้ก็อยู่ใต้อำนาจอันิจังทางนั้นอันติจังทุกครั้งอนัตตาเป็นผู้ครองโลกก็ถูกเป็นทำประจําโลกอะไรฝ่ายสังขารก็ถูกส่วนรักผลไม่พานเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เราหมายไว้ก็อยู่ใต้อำนาจอันิจังทางนั้น อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นผู้ครองโลกก็ถูกเป็นทมประจำโลกอะไรฝ่ายสังขารก็ถูกส่วนมรรคผลในพานเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำลายและบรรเทากิเลสให้บาบางไปเรียกว่ามรรคสิ่งไหนที่บรรเทากิเลสให้เบาบางมีทานวัตถีละวัตราร ว, วัตถก็จัดเข้าในมรรคทั้งนั้นก็จัดเข้าในผลของมรรคทั้งนั้น ถ้าทำมากได้รับผลมากถ้าทำน้อยก็ได้รับผลน้อยไม่ว่าทางดีทางชั่วเอาละทีนี้มดเวลาแล้วเอาละที่นี้มั น, น, นตื่นสวยหาดพระท่านเพลินหมอนางมันดังแห้งหมอ แล้วก็ค่อยไปค่อยมาเลยว่าไปคืนักมวยมันกับว่าม่แนววเลยะไปขืนักมวยคือทหารเนี่ยกับว่าไม่แน่วเลยกับไปพอดีพะงามแลว้วเงบึมบัม บ, บึมบัมบบคือเรืน่อยตรงเรแลนกัมันกับมดถือ้วไพระแลนแน่นแลนพระวิ่งแน่นวิน่งบวกล่เอามือคัดหลังน้าวัดนําว ah ่าเอามืมอคาสัญญาเอวมันไม่แนวจเอามือคัดงอ น, น้าวัดน้าว่า ฉันนำพ่อนำอุลก็จะเอาขาขึงเกยเอาขาเกยกันไว้เลยสีนั่งพับเพียบก็นั่งสีนั่งย้อนขาก็จะสุดกระดิกขาขานั่งย้อนขาแล้วกระดิกขาเรียนคือพวกขี่เราไงนั่งก็นั่งเรียบๆย้อนข้าย้อนขาทึงกระดึกบกระปั้นทึ่งได้เรียนกัะมันเคลียร์ไปเคลียว์มากั้นก็มาถือขาบไม่สีฟันหมือนว่าไม่แนวไม่สีฟันคันสีสีห้สีให้มันแล้วซะแกจะไปขาบยาง คือนกคือหนูนว่าไม่นแน่เ่ะฉว่าเบิ้งว่าเบิ้งอย่างย่างพวกเขาโยก่อนมันก็นลําบากได้เอาใจเทถีของตัวเบิ้งอย่างย่างพวกเขาโยก่อนนะบอกปิ้นนาทรับนาทรับหลังรองเท้าคือคนบ่ไมีวัดนมาท้ารันหามาเกือบตายเข้านี่ยไปเมียนไฮร้ายเทอะรองเท้าเขากันยังบอกก้นเนี่ยเข้าก็นยังในย่อมเมียนให้ลูกให้เต้าโยงร่องเท้าไปจับปุ่นว่ามันตินเคียรได้แล้วเห็นอยู่ตัวะขันเข้าร่องในย่อมเมียนร่องเท้าให้ลูกให้เต้า ลูกเต่าลูกเต่าวสวรรคใจมันก็เป็นความเปรึกความหนาของลูกเต่าหันแล้วหรืว่าอยงไรศาสนาพอลูกในก้มเมียนให้ลูกให้เต้าก็เห็นอยู่กับเบื้องอยู่แล้ถือเป็นของธรรมดาหรือ ว, ว่าวาสนาตัวร้ายเพิ่มเมียนให้เสมอมันกับว่าถือคือกันเนี่ยกับว่าถือมันก็เป็นพระแสดงแย ง, ง, งตัวกันแท้ทั้งสัมมันก็บทะเลาะกันที่หันไหนือนนึกเอาไปเอามากันจะทะเลาะกันอีกหลือไม่ได้ของแค่นั้นกัน สิ่เห็ดว่าไร้ี่เห็จังไหนขอสนังกัิปบัปฏิบัติว่าไรสิ่ไปมาพ้นยี่พาสน้เพ่นได้จังไหนสิ่งสองสนันกยังไมีทิศเทียมาะอยู่ย่งมาย่อมเห็ดย่ท่ามอยู่เทิจังไสิ่งหลวงปู่มหาเพิ่นหายหลวงปู่มันเคยกันถอดร่องเ่าพินนาพินหลังถีบทวถีบทวเดียนเข้าเดียเคยศึกษามาได้อะไเข้ากระบอกมือได้นันล่ะเขากุ้ยเตมาเนี่ป็นหัวหน้าหัวบ้านนี่ มันเป็นเขียงเซ็เท่าคู่ว่าอาจารย์เท่าแหงแล้วเนี่ยเยียบขี่เขามาแซ็ตฐานอะเย่าบขี่ใกล้เขามาแซ็ต่านอะยียขีเ่เบสเขามาแซ็ตฐานบอกคอยว่าแห้งเป็นเรื่องของเพลินว่าไม่ น, น่าที่เล็กสิไปบอกว่ายนี่มีแขกมีคนมากนี่สิตีขน้อยแห้งเลยเด้อเพราะฉันเล็กก็บพราะไม่แ น, น่ิะหูควายคอยตีคน้อยนเน้่ยมั น, นเสียมันง่ายเลยเหนว่าม่นแน่เล็กสี่จะหูคว เหนสมควรจังไงก็เป็นเรื่องของเพลนเพล่นยังว่าให้ข้อนิสัยไวนะคันจิยุขับท่านให้ขอนิ ส, ซซสัยเศร้า่นถ้าไม่ขอนิสัยกกเป็นามบัตทุกกไปงเพลนว่าสามารถที่สมารบัตบอคขึนเพนว่าเสียวไว่าทั้งตทั้งเพนอีกอย่างนึงกงผู้บอกอย่างหนึ่งผู้บอกการหัวจักกระเทศสะเจ้าของคือกัลยาแล้วคณะก็บอกท่หนึ่งสองเทือ เขาจะเาอย่างพวกเอาแล้วก็ต้องให้ยุดแปลว่าพูนั้นมัถือกับนี่ใจเฮ่าก็เลยเฉยซะเพราะให้ผู้อื่นบอกอะไรพวกแล้วค่อยมาเรียกควนเธอได้กันพูดมันล่งเน่ยบอกยังไงมันก็ยูโรดไผู้บล่องล่ะซ้าเกาห่าล่ะบอกแสดงว่าแห้งซั่งสัํานี่ไม่แนวยากเลยอันบอกผู้อื่นนี่ก็ะไบอกจะของก็ยากเ่านี้ฮะนักือ ย่งางไปไปมากคือกันค่อยไปค่อยมากในระมอก็ย่ามแขกย่ามค้นมาอันผู้มาหาเห่าอนะะแล้วแขกค้นเขาบุตระเบียบเรียบร้อยะอะไรปล่อยอันทนเขียวยงง่วงมากหนึ่งพ้าเจ้าผระสงมาเมันกับว่างาไไนอะไรกับคุ้มผาแด้วยฮาว่ า, าสันดอกอันนึงนี่กระได้ก็เบิ่งตามมาตามด้วยอะไรประชน สุ่มพลแข็งแกร่น่านมากนะมันจะฟาดจะขุ่นก็ได้หรือเป็นผู้ได้มากอ็ไดถ้าเราพลเขียวยังง่วงด้วยาม่เข้าล่างบาดคุกคุยเยู่ก็เป็นเรื่องนึงอันนั้นคือพลเก่าประโยคมากเลยนเข้าล่างบาทคุกคุยเยอะได้พลมากเข้าปรเด็หผมไหนนุ่งเก่าแม่นยู่หรอกพลไม่ยามเขาสันอยางหันยิ้มแล้วไม่ไมอันนั้นมองในเก่าประโยคคุได้มากนักมาก อันผู้มาหาเทาในที่ตั้งเชียงเมื่อว่มาเทามาเหลี่ยมใสมาเท่าวันนี้มันจิซ้ำไหนมันจิพ่อปันไหกูจะไปเบิงก็นา่าอังสันกับมีได้เดียวเนี่ยมนนี่เน่ยนั้นนี่ลายอ่ะอันผู้ที่เหลียมสหนพระพุทธศาสนาแท้ๆนั้นผู้ที่เหลียมใสในสมนักมันกับมันเป็นของมีหน่อยเนี่ยที่ซ้ำไหนที่พี่ก็นาไปซังไหนกูจะไปเบื่องก็น่ะสงชาสมฤกวะนี่แหละสำคัญมันสำคัญที่ทุดเนี่ย เขามาเห็นเขาก็ดูถูกนิ้ท่าเลยโหกันยุ่ยเลยซีไม่เห็นมีขอวขอว่าไม่เห็นมีกิริยามารหนอย่างนี้อย่างวานนี้น้อยหลังวันนีค่อ ย, อ ย, ขยเขาก็ดูถูกได้กันนะบัดนี้เรามีเพศต่างจากกษัตรแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะ เราต้องทาอาการคิริยานั้นๆัสองความเลี่ยงคีวิตของเราดังเรืองอื่นเราทําตัวให้เขาเลี่ยงง่ายสาอาการกายวาิจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สตัวของเราเองติดเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ห้าผู้รู้รใครควรแล้วติดเตียนเราได้โดยสินหรือไม่หเราจะต้องพักพักจากของรักของขใจทางนั้นเ็เรามีกรรมเป็นของของตัว เราทำดีจัดได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วไปวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เก้าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่สิบคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้แมกเกอร์ขืนในเวลาเพื่อนบันไปคิดถามในการภายหลังบันไปคิดคนพิจารณาเนือ ง, งว่าบันไปคิดคนพิจารณาเนืองว่าตกบดไหนก็บบันไปคิดคนพิจารณาเนืองว่าบันไปคิดคนพิจารณาเนือ ง, งว่า ควที่จะนาทุกวันทุกวันละเรามีความแก่เป็นธรรมนาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเก็บเป็นธรรมนาจะร่วงพ้นความเก็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมนาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพาดจากของรักของเข้าใจทั้งนั้นเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทําดีจางได้ดีจะทำช่วยจางได้ช่วยท่านก็บอกไว้หมดเลยที่ไหนที่ไม่บอกไม่มีเลยเราจะทําหรือไม่ทาเราจะประพฤติหรืประพฤตมันก็ขึ้นอยู่กับเราอ่ะ เดินไปกับพระว่าน้าไปเดินว่เดินว่าพระว่าน้าตํางาตั้มหลังนั่นกับพระแม่จับของมลพงศงเพลงวัดที่จับอะนรยังได้ยิหลวงพ่อมลโลกมัน่ดมันกับบะถือจับฟ้าบาตก็ได้งไงหลวงพ่อมลโลกจับยังไงกันยังไงของมลโลกมลพงป์เพร่งเปร่งเพล่งปางพระทีบัตรหลวงพรอแม่กุญแจมันเนียว่มันเป็นของไงไงหลวงปู่มาหาผมจับอะไรนี่สอยู่กับจับวงเพล่งหมดไปไหน ป่อยอายุสบายเนี่ยห้องบรรใา้เขาคิ้วไปจับเศนเขาได้สถานที่บรรือเื้อเขาคิ้วไปจับเสษนหมืนนี่ห้องบรรยา้เขาคิวไปจับเศษเคื่องเครื่องจับเศนเขาหามาให้ตั้งหลายคืนั่งเอาไปเผากับวัดเนี่ยห้องก็ม่ได้ใส่ให้มูหยาเคื่ออายุตามเพื่อใจเอายุตามเพื่อใจเได้มาแทงดื้อเ้ไมันกับมัดซับท่าขึกันไแล้ว เขายกับคู่บาอาการย์้อยเอาของห้องพ่อแห่งมาเฮ็ดแต่ขอวัดหล่อพระธรรมภาวนาบได้คั่วก็ะให้มาเฮ็ดแต่ขอวัดของโตขอวัดคู่บาอาจารย์แล้วชวนร่วมบุตรกระให้ได้วัดส่วนแอลส่นแอลมันจังไหร่ก็ทหลวงพู่มหาบวชด้วหลวงพูมันเดี๋ยวู่อยู่มันอื่นหมูเขาต้องไปล้างหลังสมมือเขาไปเก็บอยู่ได้อันนด้ไหวเพราเอาไหวพอดีเห็นเขาเก็บัน ที่เขากูมีวาสนาพระแะม่คู่ว่าอาจารกรเก็บเกิดภูกี่ว่าจั ง, จงสันบอกเไปอิศราด้วยกับถ่ถกัน <c oughs> กูเป็นคนมบุญพระแม่คูว่าอาจารกระเก็บเกิดภูกีว่าจังสันบอกกับพี่เสนานีา่ยเราบอกทานไส้ซ้ายเมื่อเขาต้องบอกอันไหนมนคัดของอันไหนมื่ก็บอกบอกกันเราสร้างยึดผาขเขาไมอยู่แล้ว ยักก็ไม่ยุแล้วหลายขั้นอยู่ห้ขั้นหกขั้นพันผูสร้างตัดกับไม่สร้างเงียบกับไม่ยุแล้วสร้างใหม่กับไม่สร้างปูนกับไม่ครบมัดหลายอย่านี่สอมแทมกนไดสถานที่ของเขานะขันบ่าไม่น่ามาเขาก็ยุ่งต้องกันหลายว่าไรขันบ้าไม่รถเท่าก็ยุ่งต้องกันหลายว่าไรก็สั่งพ่อเป็นทบาทหลายบอลนี้ โอ้โอ้อันนี้บอเข้าใจเอ้าไอ้เจ้าชีไว้ให้แจ ก, กให้พระให้นี้ให้พระครบสะกอนจะไปแจกให้พระขาวเดี๋ยวมันตีพสอนมาหมันก็เป็นอาวัตเองคือ ก, กันมันตีพสอนมาหมันเป็นอาวัตรก็เป็นของโมเกศสอนกับวัดใหญ่หลังเลยแมนเยอะกว่าไหนแมนเนาะคือสิ่งของ เขาสมมติว่าเข้าอิ่มแล้วเข้าวา่าสียหายเน้นนี่เอาไปเศ้าสักมันขาดได้ไดงของผ่าเพราะเน้นน่องมีฟิสติเคน่นนั่นแน่แล้วถ้ามันเอาเคื่องมาอีกกินอีกถัดว่าถัดว่าติเข่นไหมอันนั้นก็เป็นอาวัตปายติทุกขาขืนกินของบมเข็นอันนี้หลวงพ่อมาหาถือที่ชุดอันนี้หลวงพ่อมันก็ถืออันนี้สำนักเอื้อม่ถือหรอก มึงมอเอากูเอาร้อนเน่ะขนาดเอาไฮเนหนหรือเอาไฮยนยองให้กันอันนั้สิพริกเทสไฮเนใไฮน่องนะพริกซื้อเน่ยบ้าห้าเราก็จะเอาขึ้นมากินอีกสั่นอันนั้ก็ยจะขาดได้อาหต่อมาเชล่อนไหวอันนี้สำคัญผู้แจกอาหารต่อมีอักต้อมยามีอักตีซีไวมาสันเนอันนั้นคัดกระโรลกผูก้นั้นกระบอกกัน คนข้าวเจ้ามันต้องสี่เหลือไปให้หนังคนเท่าภาคอีสานเทาพวกะภาคภาคอีสานกับได้หวังสี่กินข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่แต่แก้ไรแล้วว่าถ้าไปแก้ไขทอดกันไม่ได้ก็ต้องหุงจักไหมอันทุนี่กินข้าวเหนียวบริเวณก็ต้องหุงจักกันไหมก็ต้องแก้ข้าวเจ้าสี่เหลือไปให้หนังให้ทั้งสนก็ว่เป็นธรรมเลยอ่ะเอเข่อยใจเอ อ, อ, เ อ, อก็ต้องใหุ้งจักกันทังสันแล้ะบ่ ผู้ใดผู้ใดไม่ีอัคติก็จะไปแกกอาหารนั่นี่คนผู้ใดว่าเป็นถ้ำก็ไปแกกะแผันางือเพื่อไม่มีอาคติหักชั่งค็นี้ก็ไปแกะอาหารคำละเท่าเมือนึงก็บมืดพระอุ่งมือเนี่ยก็ท่างยากเราเขาก็ปล่อยให้ลูกให้เต้าอเอาไว้ให้เ่าว่าจะกับ่าตลูก่าตเต้าเครียดเพามีลกูกหลายแนวเขาปล่อยให้ลูกให้เต้าเอาหาเท่า มันิวินธบาร์มานมือและะ้วทรายกร้างกรปลอยให้ลูกไอ้เต้าเอาห้เาอ่ะเยวผู้ค่อยกินน้าเท่ากับพันมม่ยู่คันอาหารนี่ใบาทเท่นนานนพระมวไนยก็ บ, บอกว่าอย่าไปไล่ทีทีบีอาการกินการอยู่กับพระเถรละเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็มันกันจะไปไล่ทีทีี้ใครไปไล่ทีทีบีเ้เป็นอบวบทุกกฎพอแม่เท่าขึ้นกันอีพอสมากินหลายอีเมย์สมากินหลาย เข้าไปว่าพ่อรู้ขันิดเพลินมันก็ผิษเนี่ยฉันเป็นนุ้งหลายหฮมหลายแฉเพราะว่าพ่อแม่นี่คือสกกรพกแฉสกปรพกก็เป็นนาทีเฮ้าเราจะไปซักหาแพร่แม่นาทีของเพลินบอเพลินเถ่าแล้วพ่อแม่ในไม่อยู่พ่อแม่ทั้งบ้านคือกันอันเดียวกันกับพ่อแม่ทั้งวัดมันทันศิลาเียงกับพคจนพุ่มูคุจนพุ่มไ่ได้เตีย อันนี้คือจะออนไลน์ของโมแทวพิสันไม่พิสนเพราะว่าเราลาซานี่พิสัาสัมผัสในเฮ็ดหยังพิคือหาเงาเดียนเพราะไร้แช่พิสันเราฆ่าเพื่อนนั่นแหละพาเมเข้ามนี่พันมาถ้าเฮ็ดให้ยเฮ็ดหน้ามันลูกเต้าตบปะท่าขายเขาพิสนสามารถเป็นเจ้าจอมเป็นเจ้าจอมกคนหาไพรสไลค์คนหไสไลพิันเพ่นสามารถเป็นเจ้าเป็นจอมได้พิสันเดีวฆ่าเพอจาตุ้มเพืนี่ พระเียด้ยได้วางจังไรยศสันข้าพระริจจตุมเือกันพระเวียด้วางไหนสันหลันเบิ้องรูสั น, สนเป็นไปถ้ามันเกินไปผลยศสันเนว่าคำั้นบอกเกินไปเพราะมันยากจะมาเอาเป็นว่าเห็นไหมท่ น, ม, น, น, นมันตงตระกูลน่าปวดผู้ตระกูลสูงกับไม่่ตระกูลตามกับเม่เน่พจังให้เอาพเวีย เป็นเครื่องหอยดอกไม้พระเวน่าย์เนี่ยอุปมาคือสร้างหอยดอกไม้ดอกเขียวก็ดีดอกแดงก็ดีมะห้อยเป็นระเบียบกันเห็นไหมพระวนัายก์กันเดียวกันเพราะคนต่างศาสตรต่างตระกูลมา อ, อยู่น้ำกันเ ม, ม่มีพระวน่ายมันก็อยู่อะไรพระเวน่ยเป็นเครื่องกับจัดกิเลสอย่างหยาบได้สมาธิอยา่างกลางปัญญายางละเอียดไอ้แท้ๆพระเวน่ยก็มีปัญญาเท่ากันต้องปัญญาครอบคุมเท่ากันสมาธิเื่ากัน คนวิมีปัญญากับปฏิบัติทวนาว่าอะันวินมีปัญญากับปฏิวัติสมาธิว่อคือกันคนวิมีปัญญากับวรอบคอบนปัญญาคืกันปญัญญามันก็ตอเขากระททุกหมวดเอุอียงวิมีสติวิมีปัญญาเพิ่าเนีาพทธเจ้ากันแน่นต้องอีกแล้วครน่ เข้ากับต้องระวังเอกคนผ่านรอมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังเราท่านเขากับต้องพิจารณาเอกอันนี้ก็ได้โทษคนอื่นเหนง่ายฝ่ายข้างตนเห็นยากท่านก็ให้ทวดมึงจะของอีกหลบาบาทนี้ก็ได้จะไปจับเอาความผิดถ้าผู้อื่นมันกับวัชร์อันนี้ก็ได้จะของบอกพร่องอยังงนี้กัตบตังมึงจกของอันนี้ก็ได้ผพ้ที่เจ้าตีทั้งทั้งขืนทั้งรองนี่เดียวนี้ตีเล็กว่ามันตีหนาเดียวเนี่ย คนพาลยอมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังมาฉันเพ่งโทษคนอื่นเป็นสนะนังคชาติมิมาฉันอันนี้ก็ต้องพิจัมนาอันนี้ก็ะไแต่ว่าผู้เฮต์ตังขันกับประเทศ อ, อ, อ, อ น, นีิก็ต้องเพ่งกระของกับพี่จัมนากระของอีกอนะวันเนาะแล้วเผู้เฮต์ดเดียกับเจสุวางกันเนาะ เห็นปัญหาอันนึงหมดแงพระโล่เฮ็ดอันนงกับพถือกสุขนสุขวงดีมันกับพิษกันอะไรกันอะไรมันจะเก่งปะแน่มันบอกสิกุพระโล่็นี่ดีตีดาสำหรับเามันกับพรเเอาอีกะนี่ก็ได้ผู้ตีกันขึนกัน้อีกทผลแล้วผู้นั้นนังบ่อปฏิบัติตามกผู้นั้นกทิมาะ คือกนั่นแหละที่กะตีไหมไหมีมันะรยากล่ะอันพุทธิพัลโลใช้การกันกัคือการไหมีมัอะไรยากแล้วพู่อะไรก็ได้ผู้ได้ก่กันหนึ่งตั้งแต่วันธรรมออกเป็นซ้ำๆนั่นกับว่ากันว่าอะไรแล้วอันนี้ก็ได้่าแต่ว่ากันเขาไพก้าไ่วัฒนธมออกเป็นซ้ำๆนั่กัเป็นตะุกยังไงแนีนี้ก็ได้ เข่าเขเอาพายเลี้ยงพระองค์เจ้ามาบางกินอมุ่เขาขนาดาไหนก็เทวจังไหนบอกยำยาบจงสันยังสิไรเอาเขาหล่นว่าบางกินกับพี่แค่ไหนเนี่แล้วเว้ยต่างคนต่างว่าอาศัยพระองค์เจ้าเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ว่ามันบวชเพื่อมาเรื่องชีวิตว่ามันบวชเพื่อ ท, า ย, ทายเสียง เห็นไพยแล้วว่าตาท้องสารช่งางวาบวดอะไนอันกินเข่ามือและขา่ามันเท่ายอยู่ทั้งบ้าน น, นเาะเาพอได้กินขึ้นกันนั่แหละเวลาถ้าขีิข่ามีดีหมูหนังสือกะอ่านได้ไุกคนนะพราะวีหนย่าเขาไม่ไกุกคนนะสมัยตนะกอนเอไว้มนอ่านหนังสือมาได้ของแม้อันนี้มีอิสระอยู่นี่สิบักอยากเบิง้งวีน้าอนไหนทำถอไหนเกิดเบิ้งได้อยู่นี่ว่ามันเสียหาึจะจับหูมาหิวบอกกระดกรดิเา ทำดีกระแตพนคมเหงถือขอนพ่อมัะนเ้าสิเป็นผู้รักเป็นผู้รักคนดีว่านถ้ำดีกระพันถือขอนพ่อเขจะให้พันให้พันหุ่น ก, ก, ก็าเราเขาะเขาก็จะ่จากดีบ่ไอ้บ้าของสันวาอาไเอปริหานี่ก็ทำมีเกตย่างทาให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปพระความเจริญฝ่ายดีเรียกอปริหานี่ก็ทำมีเกย่างหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิด สอมประชุมกันข้อความเพียงกันประชุมเมื่อเรื่องประชุมความเพียงกันเรื่องข้อควมเพียงช่วยกันทำจิตที่สงฆ์จะต้องทำสามแม่มัญหยัดสี่ที่พระเจ้าไม่มันหยัดขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบันญยัดไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในเสี่ขาบทตามที่พระองค์ทรงมันหยติไว้สี่ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านข้อห้าไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหยินดีในเสนาสนะป่าเ็ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุกเป็นสุกทำเจ็ดอย่างนี่มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวพระพุทธเจ้าสอนอนย่างเบิกเหรออะไรสารานี้จะทำเจ็ดอย่างสารานี้จะทำหกอย่างทําเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเรียกสารานี้จะทาในหกอย่างหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสุสามเนรทั้งต่อหน้าในรับหลัง คือช่วยขวนขวายกิทระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลพิษสุขใหเป็นต้นด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งมโนโกรรมประกอบด้วยเพื่อนพิษสุสัมเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันเข้าไปตั้งคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันเข้าไปตั้งวัจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิษสุสัมเณรทั้งต่อนหน้าและรับหลังคือช่วยขวนขวายกิจธระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้น ด้วยจิตเมตตาในข้อสีที่นี่4ีแบ่งผลลัพธที่ตนได้มาโดยชอบทำแล้วให้แก่พี่เพื่อนพิกษุตสามนเณรไม่หวงในผลประโยชน์กําเพาะผู้เดียวห้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพิกษุสามนเณรอื่นไม่ทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น หกมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิษูสมณีอื่นไม่วิวาชกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทำพวกอย่างนี้ทําผู้พุทธให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสกเคราะห์กันในกันเป็นไปเพราะความไม่ยิวาากันในกันเป็นไปเพราะความพร้อมเพียงเป็นหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยว่ลัเข้าสี่เฮ็ดหรือเพระเฮ็ดกันกับอย่างของเข้าเท่านั้นนะมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิกชูสมณีอื่นสมณีอื่นไม่วิวาชกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกัน ทำพหุอย่างนี้ทําผู้พูดประพฤติถ้าเป็นที่รักที่เคารบของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปความรักความไม่วาดกันและกันเป็นไปเพร่อความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันต่อไปหันกตาหูจมูกเลี้ยงกายใจต่อนั่นตัวอินเทียหกข้เรียกลูกเสียงกลิ่นละลดผลตะพระทำมารมณ์คือมาถูกท้องกายทําคืออารมณ์ที่มาถูกเกิดกับใจอารมณ์หกข้เรียกวิญญาณหกตัวต่อไปหา อาศัยรูปกระทบในตาเกิดความลุขึ้นเรียกจักกูวิญญาณอาศัยอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความลุขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยจิงกระทบจมูกเกิดความลุขึ้นเรียกคาระวิญญาณอาศัยรสกระทบเลี่ยนเกิดความรุขึ้นเรียกเคียวหาวิญญาณอาศัยผวดสะกระทบกายเกิดความลุขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความลุขึ้นเรียกมโนวิญญาณโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแต่สลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด เมื่อแต่วุวนกันยิ่ทักภายนอกนังสิมันก็มาถวายสิริบุตรทสม ด, ดังขึ้นกันมันแหาไกลแล้วชนวลสองจิงน้เมือเจิงน้ำพาไป ก, กระโดดเข้ามือกูบ่เห็นเนี่ยบอกสันขันห้ากายกับใจในแบงเป็นห้ากองเรียกว่าขันห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสีสังขารหวิญ ญ, ญ, ญาณธาตุจีคือในน้ําไฟอรมมาจุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบเป็นในตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณขันห้านั่นเรียกว่า นามรูปเวทนาสัญญาสังขารเวีย ญ, ญาต์รวมเข้าเป็นนามรูปก็คงเป็นรูปตามว <c oughs> าสัตรรว์ก็ะไรตัวโอ้เฮ็ดซับนี่บอกสันว่ายากเฮ็ดทายดีก็นี้ก็ไรว่าสันกระไรตัวเอาควา่ำดีสันตัวออกมาออกมาแข่งกันตั้งคนตั้งเอาคว่ำซัวมาแข่งกันมันกับอะไรแล้วอี่ไพ่ไหมเอือตั้งคนกัตั้งมึงดีไม่จังทีไรเมื่อตั้งมึงดีมันกับอะไรล่ะแบบหึ่ง <c oughs> เข้าเป็นทู่นนอยเข้าไปเตือนเขาเข้ากระตองโดยขั้มไพระสนอสวดมันจังไรเอ๊ะเข้าไปใสอํานาจคือผู้ใหญ่เข้ามันจักระทบกระแทกกันเองคือกันอันนี้ก็ระต้องอะไมันพี่นายรู้จักพระราหุ่นมันมาเป็นเนื้อสคือพระราหุ่นเอ้อนเข้าพระราหุ่นนั่นตือนขึ้นมาประกอบเอากจีนใต้ขอให้พูกข่าได้ฟัง ถ้ามาเทศนาของพระองค์เจ้าของครูบาอาจารย์มากก็ไม่ทีไงไไง้งไม่ท้ายอย่างนาทั้งเป็นจังหวะรักใคร่ในการศึกษาแบบหนึ่งจับกลุ่มกันผู้นั้นเป็นเรงสั่นผู้นี้เป็นเรงสี่ลอยค้นก็ลอยกลุ่มอันนั้นก็ บ, บเป็นตะุกยี่แล้วอันก็ได้ลอยคนก็ลอยกก็เก็ดซิบคนนี่เปนกกและเก็ดซิบันเก็ดเก็ดซิบสามคนกับเก็ดซิบกกมันกัดเต็มที่อยู่ขันนั้น คับมันสามคนเป็นกกหนึ่งิหรือสีคนเป็นกกหนึ่งแงเงินนึ่งสิสามสองเป็น6กเป็นเจ็ดสามสามเป็นเก้ามันก็เป็นที่สิบสามกกมันก็สูไว้เลยนี่ก็ได้ของสัตวน่ยมันตกวักไปเลยพี่เห็นหน้าได้หรอรถพ่ก็แแหงนับหมื่นแถวหมือแกะ เบิ้งกับเบิ้งมาไหวแล้วผู้ใดตั้งใจมากกับเมาเองคุค่คนเน่ลุงผู้ก็บว่าได้ไปเสื้อไปเสิ้อมาเน่ขังมาเน่ขันมาแล้วมากผพากันมาทะเลาะกันมันกับว่าถือกเข้ามันมาวังดี